ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระปุพพศิขาและปุพพศิขาวันนานางพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาโรจนาต่อไปก็จะเป็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบทว่าอนุตตรโปุริสธรรมมสารติ อันหนึ่งอนุตรโรภพุริสธรรมสาาติสองนี้เป็นพระนามเดียวกันแปลว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ทรมานซึ่งบุุษที่ควรทรมานไม่มีใครยิ่งกว่าแท้จริงเหมือนอย่างกัจสารและอัสดรนายหัตถอาจารย์อัสาอาจารย์ควานผู้ฉราดทรมานค่องแคล่วแล้วด้วยดีในควานประสงค์จะให้แล่นไปในทิศใดก็แล่นไปได้อย่างทิศนั้นอย่างเดียวในวาระหนึ่ง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 ก็เป็นกระบวนการปราบกรรมให้สิ้นพยศอันดุร้ายมานะดื้อกระด้างเสกอนแล้วก็ทรงทรมานด้วยอนุสาสนีปาติหารคือประทานเทศนาคำสอนให้สัตว์ปฏิบัติตามมาลพยศอันร้ายคือทุจริตสังกิเลต ธ, ธรรมด้วยมรรคภาวนานั้นๆันสัตว์นั้นไม่กลับคืนประกอบด้วยทุจริตสังกิเล ธ, ธรรมซึ่งเป็นพยศอันร้ายอีกเลย ดังข้อะจตาลและอัจดรในความทรมานแล้วแลกลับคืนมีพยศอันร้ายอีกบ้างในการบางค่าวเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารทิผู้ทรมานซึ่งบุตที่ควรทรมานไม่มีใครยิ่งกว่าพระนามว่าสัฏธาเดวมนุษยสานังแปลว่าพระองค์เป็นศาสดาผู้สอนของเทพดามนุษย์ทั้งหลาย แท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมสอนด้วยประโยชน์3อย่างคือทิฏฐธรรมนิจตถประโยชน์ในทิฏฐธรรมปัจจุบันคือชาตินี้และสัมปรายจตถประโยชน์ในภพหน้าและปรมาถประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานตามควรแก่อัตยาศัยแห่งเวเนยสัตว์พระองค์สอนด้วยทิฏฐธรรมนิจตถประโยชน์นั้นดังพระองค์สอนทีฆชานุโกริยบุตร และอุดชยครรมด้วยสัมปทานีคืออุตถานะสัมปทานความหมั่นประกอบกิจการงานซึ่งเป็นหน้าที่อันตนจะต้องทำและแสวงหาทรัพย์โดยอุบายที่ชอบอารักขะสัมปทานความฉลาดรักษากิจการงานที่ตนประกอบและทรัพย์ที่แสวงหาได้มาด้วยความหมั่นนั้นมิให้เสียหายสมาชีวิ ต, ตาความเลี้ยงชีวิตใช้ทรัพย์พอควรแก่กาลังทรัพย์ที่มีมากและน้อย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 ประกอบการเล่นการพนันหนึ่งคบคนชั่วเป็นมิจหนึ่งเกียรตคร้านการประกอบกิจการงานหนึ่งให้ถิ่งคาระกะมานพกรหับดีบุตรรู้จักเพื่อมละเว้นเสียดังนี้ชื่อว่าสอนด้วยทิฏฐธรมิกัดประโยชน์และพระองค์สอนด้วยสัมปรายิกัดฐประโยชน์นั้นดังสอนทีฆชานุโกดยะบุตรเป็นต้นนั้นด้วยสัมปทาตีคือ ศรัทธาศีลจาคะปัญญาอันหนึ่งพระองค์ทรงแสดงมัตติยตาปฏิบัติเกื้อกูลแก่มารดาเปติยตาการปฏิบัติเกื้อกูลแก่ปิดาสามัญญตาการปฏิบัติเกื้อกูลแก่สมณะผู้ปฏิบัติกายวาจาใจระงับจากบาปบรามัญญตาปฏิบัติเกื้อกูลแก่ท่านผู้มละบาปในไตรทวารซึ่งได้นามตามอริยะโอหารว่าพราหมณ์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 สุจริตสมาทานการถือความประพฤติดีเป็นต้นโดยในวิจิตพิแพรมยักษ์้ายอย่างต่างซึ่งมีมาในสุตตันต์ประเทศนั้นๆดังนี้ชื่อว่าสอนด้วยสัมปรายิกัตถะประโยชน์พระองค์ทรงสแสดงไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาและสแสดงปฏิปทาต่างๆซึ่งเป็นอุปการะแก่ไตรสิกขาซึ่งเป็นทางที่สัตว์จะดำเนินถึงพระนิพพาน เป็นที่กเกษมสิ้นทุกข์โดยอเนกกนัยวิจิตต่างๆซึ่งมีมาในคำพีป ร, ริยติธรรมดังนี้นั้นชื่อว่าทรงสอนด้วยปรมัสตรประโยชน์เพราะพระองค์สอนสัตว์ด้วยประโยชน์สามดังนี้จึงมีพระนามว่าสัทธาเดวมนุษยสานังก็แลพระองค์ทรงสอนด้วยทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์และสัมปรายิกัตถะประโยชน์นั้นไม่มหัศจรรย์ยิ่งนัก ด้วยครูอื่นบางเหลา่าอาแสดงได้บ้างโดยเอกเทศซึ่งพระองค์ทรงสอนด้วยทางปรมัภิประโยชน์นั้นเป็นมหาสจรรย์ใหญ่ยิ่งนักด้วยครูอื่นไม่อาจแสดงได้แม้โดยเอกเทศอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจา้าดังอาจารย์ผู้สอนอักษรสมัยฝ่ายเวนยสัตต์ซึ่งยังไม่เคยสดับพุทธภาษิตไม่รู้จักประโยชน์สองก็ดีและประเภทกุศลและอกุศล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 หรือเห็นว่าเป็นของปฏิกูลไม่งามมาละวิปราสาสามสี่ได้ด้วยตะังขประหารขนะหนึ่งก็ดีหรือด้วยสมุดเฉทประหารมาละขาดทีเดียวก็ดีวิปราสาสามก็ได้แก่สัญญาวิปราสจิตตะวิปราสแล้วก็ทิฏฐิวิปัสสในอาการสี่ก็คือมีความจามีความคิดมีความเห็นในสิ่งที่ไม่งามว่างามไม่เที่ยงว่าเที่ยงเป็นทุกข์ก็เป็นสุข แล้วก็เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาอันนี้ด้วยอาการศอย่างแต่ว่าวิป ร, ราชั่นก็มีสาก็คือสัญญาวิปป ร, ราชิตตวิปป ร, ราชแล้วก็ทิฏฐิวิปป ร, ราชก็ดังกุมาน้อยได้ศึกษาอักษรสมัยในสำนักของอาจารย์แล้วได้เห็นอักษร อ, อ่านออกรู้ความมลรวิปป ร, ราชซึ่งเห็นว่าเป็นลวดลายนั้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ถึงพระองค์ดับขันทปริณีพานแล้วล่วงไป คำสอนซึ่งเป็นอนุสาสนีปาติหารยังประดิษฐานอยู่เป็นคุณแก่เทพดามนุษย์ในภายหลังก็ได้ชื่อว่าเป็นศาสดาผู้สอนของเทพดาและมนุษย์ในภายหลังด้วยเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพระนามว่าศรัทธาเดวะมนุษย์สานังคำว่าเดวมนุษย์สานังนั้นเป็นคำกล่าวด้วยสามารถกำหนดสัตว์อันอุกฤษและกำหนดสัตว์ที่เป็นพภะบุคคลกวรตรัสรู้ จตุราริยะมักคาริยะผลก็คืออริยสัพ ส, สีมีมัคมีผลเป็นต้นถึงกระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ชื่อว่าเป็นศาสด า, าผู้สอนของอมนุษย์และเดรัจฉานบางเหล่าด้วยเพราะพระองค์ประทานอนุสาสนีคำสอนแก่อามนุษย์และเดรัจฉานเหล่านั้นดังอาละวกยักษ์และอปตะลาละนาคราชเป็นต้นซึ่งได้รับอนุสาสนีของพระองค์ได้ประสาท ได้ปัสสะทะก็คือความเลื่อมใส ย, ยังลงในพระรัตนตรัยมลพยอันร้ายคือทุจริตเสียได้เท่านามว่าพุทธโธนั้นแปลว่าเป็นผู้ตัดรู้คือรู้เท่าไยยธรรมทั้งปวงอันหนึ่งแปลว่าเป็นผู้บาแล้วถึงที่ด้วยตัดรู้ตัดตจัของจริงสี่โดยลำพังพระองค์เองและให้ตัดอื่นตัดรู้ตามด้วยอธิบายทั้งปวงให้ประดพึงรู้ดังในหนหลังนั้นเถิด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 ด้วยอัดคือบีบคั้นสัตว์อย่างหนึ่งปีรณนาโถด้วยอัดคือเป็นทำอันปัจจัยทั้งหลายมีตัณหาเป็นต้นประชุมพร้อมกันเข้าทําให้เป็นขึ้นอย่างหนึ่งก็คือสังคตัดโถด้วยอัดคือยังสัตว์ให้เร่าร้อนพร้อมอย่างหนึ่งเรียกว่าสันตาปนัตโถด้วยอัดคือเป็นของแปรตัวไม่ยังยืนอย่างหนึ่งเรียกว่าวิปริณามัทโถจึงเป็นทุกข์ตัณหาเป็นสมุทัย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 ด้วยอาจคือเป็นของไม่ตายเพราะเป็นของเที่ยงอย่างหนึ่งเรียกว่าอะมะตัดโถจึงชื่อว่านิโรธสัมมาปฏิปทาชื่อว่ามัจว่าทางด้วยอาจคือนําสัตว์ออกจากวัฏฏุก์อย่างหนึ่งเรียกว่านิยานัทโถด้วยอาจคือเป็นเหตุยังสัตว์ให้ถึงซึ่งนิพพานอย่างหนึ่งเรียกว่าเหตวัฏโถ ได้อัดคือเห็นซึ่งพระนิพพานเป็นธรรมอันสุ ข, ขุมล่วงส่วนอย่างหนึ่งเรียกว่าทัศนัตโถด้วยอัดคือเป็นอธิปดีแห่งสัมยุทธธรรมในการเห็นซึ่งพระนิพพานอย่างหนึ่งเรียกว่าอธิ ป, ปเตยัตโถจึงชื่อว่ามัตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกซึ่งธรรมทั้งหลายโดยในดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าพักขวา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 พระนามเหล่านี้เป็นเนมิตกะนามมาแต่นิมิตคือคุณเกิดขึ้นพร้อม ก, กันกับด้วยความบังเกิดด้วยนามกายในอริยชาติและทรงแสดงธรรมาจากกับปวัตนสูตรแห่งพระองค์พระนามเหล่านี้บางพระนามเหมือนด้วยชื่อพระขีนาสกซึ่งเป็นสาว ก, กมีแต่เนื้อความแปลกกันให้นักปราดพึงรู้โดยเนื้อความซึ่งกล่าวมาแล้วเถิดคนซึ่งได้ในพระนามเหล่านี้ว่าโดยย่อเป็นสองคือ อัตหิตะสัมปัติความถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยธรรมเกื้อกูลแก่ตนหนึ่งปะระหิตะปฏิปฏัติความปฏิบัติเกื้อกูลแก่ตักอื่นหนึ่งบทว่าอารหังสั ม, มาสัมพุทโธวิชฌนัณสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตรโวเหล่านี้ประกาศอัตหิตะสัมปติคุณก็คือคุณที่ถึงพร้อมบริบูรณ์เกื้อกูลแก่ตน 1. พระบทเหล่านั้นแสดงยานและปหานะก็คือปัญญากับการละกิเลสซึ่งเป็นผลและสัมปทาบทว่าอะนุตตโรปุริสัธรรมสารติสัตถาเดวมนุสสาังเหล่านี้ประกาศประกหิตะปฏิบัติคุณก็คือเป็นธรรมที่ปฏิบัติเพื่อกูลแก่สัตว์อื่นพระบทเหล่านั้นแสดงสัตตุปการะสัมปทาด้วยบทว่าพุทโธและภควานี้ ประกาศคุณทั้งสองคืออาตาหิตะสัมปติและประรหิตะสัมปติเพื่อกูลแก่พระองค์ด้วยเพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอื่นด้วยก็บททั้งสองนั้นแสดงโพธิสัมภาระสัมภรนะและญาณซึ่งเป็นเหตุสัมปทาและผลสัมปทาและแสดงสัตตุประการะสัมปทาเมื่อเป็นเช่นนี้บททั้งหลายเหล่านั้นได้ชื่อว่าประกาศมหาการุณาสมายคะ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 ให้พึงระลึกดังนี้ว่าโสภควาอิตติปิอารหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองมนั้นทรงพระนามว่าอารหังแม้เพราะเหตุนี้ไปทุกๆุกบทจนถึงโสภควาอิติปิภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงพระนามว่าภควาแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้คําว่าแม้เพราะเหตุให้เห็นนี้ก็คือรู้ความหมายของคําว่าอารหังรู้ความหมายคําว่าสัมมาสัมพุทโธจึงมาตั้งถึง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 จบพุทธรัตนกถาก็ขอให้ท่านน้อมนําคําสอนเหล่านี้ก็คือคุณของสมาสัมจ้าไปอบรมไปเจริญประธรมไว้ในใจผู้ที่เจริญคุณของสัมมาสัมจ้าทําไว้ในใจบุคคล น, นั้นเียบเหมือนกับเป็นพุทธเจดีย์สมควรเวรกิดการนิยกราบไหวบูชาสการะผ่องภัยอันตรายทั้งหลายก็จะทําให้หมดไปสิ้นไปกล้าแล้วจากอันตรายทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์พ้นจากทุกข์ก็คือวิบากอันเป็นทุกข์ และพ้นจ็บทุกข์คือการแต่เจ็บตายในการไม่เนินชา้านี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ